เพื่อนร่วมทุกๆคนได้มีโ อ, อกาสมาพบปะเจอๆกับญาติธรรมที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ตั้งการมาเรือนจำนี่แต่ละครั้งเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากเพราะว่าที่เนี่ยเป็นเรือนจำแห่งแรกที่ผมได้เข้ามาทำประโยชน์ที่นี่ได้เข้าเรือนจำเป็นครั้งแรก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 ขอถามว่าใครอยากมาเรือนจำบ้างไม่อยากมาใช่ไหมแต่มันตรงข้ามนะแต่พวกเรานี่อยากมาทุกคนอยากจะมากระตือรือร้นมากทุกครั้งที่ถูกเชิญมาเรือนจําเนี่ยจะไม่ปฏิเสธเลยไม่ปฏิเสธเลยทําไมเป็นอย่างนั้นตอบได้ไหมไม่ใช่วันรังเกียจหรือไม่ใช่วันมาต้องการอะไรเพราะว่าที่แห่งเนี้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 หลังจากที่กระโดดน้ำลงไปจมลงไปช่วยตัวเองไม่ได้ทีนี้ว่าอดทนอยู่ในน้านนะสักระยะหนึง่งในช่วงที่กำลังต่อสู้ที่เอาชีวิตรอดนั้นนะมือไม้เนี่ยขยับไม่ได้เลยนะจมนิ่งอยู่ก้นสระอีกช่วงที่จะจบชีวิตลงตอนนั้นนะในช่วงนั้นนะ่ะมันมีความคิดแทบเดียวเพราะเรารู้ว่า พอรักไวปนะาเขาไหว้ผ่านไปเนี่ยเขาช่วยเราไม่ได้แล้วช่วงระยะเวลาสั้นๆเราคิดว่เราจะต้องตายแล้วคิดว่าจะต้องตายแล้วแล้วมันมีความคิดฉุกไหมว่าถ้าเราตายในตอนนี้เนี่ยนอกจากคุณพ่อคุณแม่จะเสียใจแล้วเนี่ยเราเองก็จะต้องเสียใจเพราะว่าชีวิต ท, ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยทําประโยชน์กับใครเลยแล้วต้องมาตายตอนเนี้ยถ้าจิต ด, ดับไปตอนนั้นปั๊บเนี่ยผมต้องตกอบอายอฟูมแน่นอน ต้องตกนรกแน่นอนเลยเพราะจิตใจ ม, มีแต่ความกังวลไม่มีความมั่นใจในชีวิตแต่ว่าเพลินโชคดีจิตสุดท้ายที่จะดับน น, นึกถึงคุณพ่อคุณแม่โอ้ารล้ว่าเราต้องไปเสียชีวิตอย่างนี้นี่ทัดต้องเสียใจแน่นอนนึกถึงจุดเนี้นึกถึงคนที่มีพระคุณมากที่สุดคือคุณพ่อคุณแ ม, ณณแม่ก็เลยทำให้รอดชีวิตมาได้มีคนลงไปช่วย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 พูดจาอะไรแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีใครเชื่อปากไม่สวยปากเหม็นอันนี้ผิดศีลข้อสี่แต่คนที่โง่เง่ า, งาไม่รู้บาปบุญคุณโทษผิดศีลข้อที่ห้าคือดื่มสุราข้อที่สี่คือพูดเท็จศีลห้าข้อเนี่ยเราสังเกต ด, ดูดิชีวิตเราเนี่ยถ้ารักษาศีลห้าข้อนี้ได้เนี่ยอาการแบบเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นคือพิการคือมีโรคไปแกลเจ็บ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 แต่ถ้าโลกหน้ามีจริงนี่เราได้รับความสุขอีกในโลกหน้าเพราะนั้นเพื่อความปลอดภัยไม่ประมาทเชื่อไว้ก่อนเชื่อไว้ก่อนแล้วก็ไอ้การทำตามนั้นจะทำตามได้แค่หนนั้นขึ้นอยู่กับเราเชื่อไว้ก่อนผมเองก็เชื่อแบบนั้นจริงตั้งแต่นั้นเป็ต้นมาเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ต้องผิดศีลข้อหนึ่งถึงต้องพิการตลอดชีวิตก็เลยศีลข้อหนึ่งเนี่ย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 ทำไมศี่ห้าเราจึงไม่ครบเราอยากเป็นคนดีทําไมเราจึงเป็นคนดีไม่ได้ทันทีอยากจะมีความสุขทําไมเรามีความสุขไม่ได้ทันทีอันนี้ผมให้แง่คิดมีอยู่สามประการที่ทําให้เราเป็นคนดีไม่ได้เปลี่ยนชีวิตไม่ได้มีอยู่สามประการคือมีขาดสมขาดขาดที่หนึ่งคือขาดความอดทนขาดที่สองคือขาดกําลังใจ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 ผิดข้อสุราข้อเดียวเนี่ยทุกอย่างมีโอกาสผิดได้หมดเลยทั้งสี่ข้อใช่ไหมเพราะสุรานี่ร้ายแรงมากผิดข้อเดียวเนี่สามารถที่จะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดทางกามพูดโกหกได้เพราะพิดสินข้อห้าข้อเดียวเพราะว่าเราว่าอยากจะเลิกศินข้อห้าเนี่ยอยากจะรักษาศีนข้อห้าไว้เนี่ยทําไมเราจะเตือไม่ทำไม่ได้ เพราะเข า, เ า, าดขวามอดทนเวลามีอารมณ์มายั่วแดดร่มลมตกมันเปรี้ยวป่าเคิอาการนี้มันมายั่วแล้วก็แอลกอฮอล์ในในเส้นเลือดมันวิ่งพล่านพยาดตื่นอันนั้นไม่เท่าไหร่นะแอลกอฮอล์ในจิตใจเนี่ย โ, โหร้ายแรงมากยังไงต้องไปหาดื่มเนี่ยถูกอารมณ์อยากดื่มมันยั่ว แล้เราก็เชื่อมันตัวด้วยแล้เราก็ไปดื่มพอดื่มสุราปับ๊บดื่มแล้วมันก็ติดถูกมถ้าไม่ดื่มไม่ติดนะดื่ม้วติดเพราะติดขึ้นมาแล้วมันก็อยากดื่มอ่ใช่มมันอยากดื่มพอดื่มแล้วมันก็ติดติดแล้วมันก็อยากมันก็วนเวียอย่างนะี้นะเพราะเราไม่อดทนกับความอยาก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 อันนี้คืออดทนกับความโกรธเราทำความดีไม่ได้ถือศีลไม่ได้เพราะว่าเราไม่อดทนกับความโกรธอยากจะทำความดีแต่เกิดความโกรธในใจเนี่ยเราไม่ทนแล้วเราก็ดีแต่มีเรื่องเล่าว่ามีสามีภรรยาผู้หนึ่งสามีนี่เป็นคนขี้โกรธมากขี้โกรธชอบดุด่าว่ากล่าวภรรยาเสมอๆวันหนึ่งสามีคิดอยากจะเป็นคนที่ เป็นคนไม่โกรธฝึกทําบุญไว้อยากทําบุญมากๆจะได้ไม่โกรธเขาชวนภรรยาว่าให้ภรรยาเนี่ยไปซื้อเครื่องสังฆทานมาอันนี้เป็นเรื่องจริงด้วยนะซื้อเครื่องสังฆทานมาเพื่อจะเอาสิ่งเนี้ยเอาไปถวายพระที่วัดภรรยาซื้อมาให้เรียบร้อยเลยกระป๋องเหลืองกระแปงเหลืองสีน้ดงสีเหลืองเนี่ยมีเครื่องสังฆทานเต็มทีนี้ว่าเครื่องสังฆทานเนี่ย มันจัดไม่เรียบร้อยสามีเป็นคนเจ้าระเบียบคนเจ้าระเบียบเนี่มักจะขี้โกรธเพราะอะไรก็ไม่ได้อย่างใจ <c oughs> ใจเราก็ไม่ได้อย่างใจเราเครื่องสังฆทานเนี่ยเขาจัดมาเรียบร้อยแล้วแต่สามีไม่พอใจว่ามันไม่เรียบร้อยให้ภรรยาจัดภรรยาบอกว่าเอ้าไหนๆพี่จะไปทําบุญแล้วพี่ก็จัดสิพี่จะได้ไปทําบุญจะได้บุญบ้า ก, ากโอ้สามีโกรธแลยเตะถางสังฆทานกระเด็นเลย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 มันก็จะคิดอยากจะทำเรื่อยๆแล้วก็เห็นทุกข์เห็งโทษของการทำไม่ดีเนี่ยเรามองทุกข์โทษบ่อยๆเนี่ยเราก็ไม่อยากทำชั่วสังเกตดูนะอย่างเช่นเราจะเลิกสูบบุหรี่อยากทำความดีไหมล่ะสูบบุหรี่ทุกเป็นการอยากทำความดีนะบุหรี่นี่จะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ผิดศีลข้อห้าเหมือนกันเป็นสิ่งเสพติดเครื่องดองของเมา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 มันก็ร้อนเราเห็นโทษของมันแล้วมันทำให้ร้อนเราจรึงไม่ไปยุ่งกับไฟบุหรี่เหล้าความชั่วความเลวทั้งหลายถ้าเรามองถึงทุกโทษของมันบ่อยๆเนี่ยเราจะไม่อยากทำมีอยู่ลายลายหนึง่งเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยสูบบุหรี่จัดจนหมอบอกว่าถ้าสูบต่อไปเนี่ยจะเป็นโรคมะเร็งเพราะว่าปอดเนี่ยมีจุดมากมายเขาพยายามจะเลิก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 พอเดินไปเดินมาเนี่ยมันเกิดความอยากนะให้อดทนมันก่อนวันแรกทำได้ไม่สูบุหรีเลยพอวันที่สองเริ่มปฏิบัติอีกแต่คราวนี้ผมเห็นว่าในกระเป๋านี่ยังมีบุหรีอยู่ในกระเป๋ามีบุหรีอยู่ซองนึงแปดห้าก็ถามว่าทำไมต้องมีบุหรีในกระเป๋าด้วยมันเป็นกำลังใจครับอาจารย์ เอาบุหรี่มาเป็นกำลังใจเพื่อจะเลิกบุหรี่โ oh อ้โหอ่ะบอกถ้าท่านไม่โยนบุหรี่นี้ทิ้งไปเนี่ยท่านเลิกไม่ได้หรอกแมขอดูสักหน่อยก็ยังดีบอกถ้ามันอยากมากๆนี่เขาเอามาดมบอกสบายใจแล้วแค่นี้ก็มีแหงแล้วบอกอย่างนั้นไม่มีประโยชน์เลยรอท่านยังรักยังอะไรในสิ่งที่ท่านเกลียดอยู่เนี่ยมันอยู่กับตัวท่านนะโอ้โหบรนะมันอยู่กับตัวท่านนะท่านเลยเอาบุหรี่ได้คว้างทิ้งเลย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 หญิงคนหนึ่งเนี่ยเรารักเขามากเลยสวยสารพัดเมื่อเวลาเราไม่เห็นหน้าแต่ถ้าวันหนึ่งรู้ว่าไอคนน้คนเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยีอยู่กับเราเนี่ยเป็นผีกระสือไหวไหมโอ้ยสวยไงก็ไม่ไหวแล้วเด็กกลางคืนไม่รู้ของใคร <c oughs> นั้นมองทุกวงโทษบ่อยๆเราจะมีกำลังใจที่จะทำขาดที่สามสำคัญมากคือขาดส ต, ติ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 ถ้าเราขาดสติเนี่ยเราก็ทําตามความอยากใช่ไหมแต่ถ้าเรามีสติเะไม่อยากเราจะเป็นคนดีถ้จริงเราจะเลิกไอ้ิ่งนี้เพราะสติมันคอยช่วยยับยั้งชั่งใจมันก็สามารถเลิกได้เหมือนกันนะนั้นขาดแล้วขาดได้แต่อย่าขาดสติคนที่มีปัญหาเพราะว่าขาดสติผมเองนี่แต่ก่อนนี่ไม่เคยมีสติพอใช้ชีวิตด้วยการมีสติแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมด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 ถ้ามันเกิดความคิดนําทางขึ้นมาเนี่ยเราอันตรายแล้วเพราะความคิดเนี่ยบางทีมันคิดผิดใช่ไหมแล้วก็ทําตามทุกทีเราก็ต้องผิดอยู่เรื่อยไปทุกครั้งที่มันคิดขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งทําตามมีสติรู้ทันมันก่อนการกรมกันว่ามันคิดแล้วเราทําไปแล้วเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรเรามองถึงผลทันทีเลยและจะไม่มีทางทําผิดเลยคนเราพอทําไปแล้วเนี่ยมาโดนผลที่หลังโอ๊เราไม่น่าทําอย่างนี้เลย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 หนึ่งร้อยนะถ้าเราไม่พอใจหนึ่งร้อยเนี่ยเรามีความสุขไหมมันน่าจะได้สักสองร้อยนได้สักห้าร้อยมันจะได้เหมือนคนอื่นแต่ถ้าหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเอะเอาละวันนี้แค่หนึ่งร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าค่อยหาใหม่พอใจในหนึ่งร้อยเนี่ยมันเป็นความสุขแนละ้วเหมือนคนที่กินข้าวมื้อหนึ่งพอใจในมื้อนั้น ก่อนกินข้าวเนี่ยเราหิวใช่ไหมหิวเป็นทุกข์แล้วเป็นสุขเนี่ยแต่ตอนนี้บางคนอาจจะเป็นทุกข์มากกว่าหิวก็แล้หิวเป็นทุกข์แต่ถ้าเราทานอาหารขนาดทานไปแล้วเนี่ยมันอยู่จุดหนึ่งจะเป็นจุดที่อิ่มทุกข์มันหายไปแต่ถ้าอาหารมื้อนั้นมันอร่อยอะ่ะต้องต่อยหนึ่งจามสองจามเนี่ยมันเป็นทุกข์ไหมเวลามันอิ่มเกินไปเห็น ไ, ไหะ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 มีกล้วยมาใบ ป, ปอกกล้วยกินนอนพักผ่อนสบายเขาพอใจที่ได้จับปลาได้เพียงแค่นั้นในวันนี้วันต่อไปก็จะออกไปจับนี่ระหว่างที่กำลังนอนคิดเอเล่นเพลิ น, น ส, บสบายก็มีเศรษฐีคนหนึ่งก็บอกว่าอ่ะทําไมจึงไม่ไปออกเรือหาปลาอีกครั้งหนึ่งหนุมเนีวบอกว่าออกไปทําไมอ้าวออกไปหาปลาเท่าที่สองง่ะจะได้ปลามากขึ้น ได้ปลามากขึ้นมาทําไมจะได้ขายได้เงินมากขึ้นไงขายได้เงินมากขึ้นทํำยังไงต่อไปจะได้มีเรือหลายลาเป็นกองเรือใหญ่เลยจะได้ไปหาปลาในทะเลลึกได้ปลาที่มันตัวใหญ่ๆและเป็นยังไงอ้าจะได้มาขายได้เงินมากๆากไได้เงินมากเพื่ออะไรต่อไปจะได้ไม่ต้องต้องทำอะไรสบายๆนอนสบายๆไม่ต้องทําอะไรก็นี่ไง ก็นี่งานนอนสบายๆต้องทําอะไรเสถีกคนนั้นเนี่ยไม่มีความพอใจอยากจะได้มากๆเพระโธ่คิดดูเดเรือลําเดียวยังทุกข์แค่นี้นะถ้าเป็นกองเรือจะเป็นยังไงโอทุกข์มากคิดมากทามากมันก็เหนื่อยมากใช่ไหมอันนี้ไม่ได้สอในให้ขี้เกียจนะพอใจว่าเราทําได้แค่นี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วเราค่อยคิดทามากต่อไปพอใจในที่เราทําได้ แค่นี้ก็มีความสุขแนละ้วไม่ต้องมีเงินมากก็ได้ทำงานที่สุจริตแล้วก็พอใจในงานที่เราทาอันนี้คือความสุขเพราะนั้นจะบอกว่าความสุขอยู่ที่การพอใจในสิ่งที่เราทำได้เพราะนั้นเปลี่ยนชีวิตแมบทุกคนเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนมุมอมองชีวิตแบบใหม่มันต้องพิสูจน์ตัวเองอย่าไปท้อแท้เปลี่ยนจากความท้อแท้มาท้าทายซะ ทำไมเราจะเป็นจึงจะเป็นคนดีไม่ได้ทำไมเราจะเป็นคนดีของสังคมคนที่หนึ่งไม่ได้จะต้องให้สังคมดีทั้งหมดก่อนหรือเราถึงไปคนดีสังคมคนสุดท้ายอย่าเป็นคนดีคนสุดท้ายบางทีอาจจะไม่ทันได้ดีเป็นคนดีคนที่หนึ่งของสังคมนะพิสูจน์ตัวเองเมื่อเราดีแล้วในสังคมมันก็ดีไปเองนะเริ่มนักหนึ่งจากตัวเราเพื่อตัวเราแล้วมันก็จะดีไปเอง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 แต่มนุษย์นั้นดีกว่าสัตว์เพราะมีศีลห้าจึงจะมีครบว่าเป็นมนุษย์ลงมือไป บ, บัดคือถือศีลห้าแล้วก็ทําประโยชน์กับส่วนรวมตัวนี้นจะเกิดความภูมิใจความสุขเกิดจากการทําให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยคือทํารโยชนมีความสุขอย่างเช่นมาในวันเนี้ยเห็นไ่มทุกคนเนี่ยที่อาส า, ามาเนี่ยคือมาแบบมีความสุขที่ได้มาทําประโยชน์พวกเรานี้ก็เป็นคนบุคคลที่ทําให้ผมได้ทําประโยชน์ ร่วก็ทำประโยชน์ชีวิตมันก็เปลี่ยนได้เชื่อไห้ที่พูดเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อนะลองทำดู ก, ก่อนทำดู ก, ก่อนคื อ, อยาขาดสติยาขาดกำลังใจอยาขาดความอดทนสามอย่าง น, นี่แหละจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนใหม่ได้